ทอ้จะเหมือนกันนั้ น, นั้นมาชุกพาเราไปแล่ท่านจะคู่นึงก่อนจะไปลงโมโซดพอท่านเห็นหน้าบางังก็ไปเคาะประตูม า, ท, าทั้งคู่เลยก็จะลงโม โ, มโสดแล้วก็ไปคอยนู่นไม่ได้เลยทันวานวอันนี้เราก็ได้ความภัพทัน ท, น ท, ท, นทีเลยนะ คือท่านนำคาญถ้านไม่อยากยุ่งมันก็เหมือนเรานีเรามา น, นี้มาเถียงอย่างนี้นะแล้วไม่มีอะไรกับท่านเลยนะท่านพูดอย่างนั้นนะเพราะเราเคยอยู่แล้วมันไม่อยากยุ่งกับอะไรนีย่ยจะไปลงบุษยอยู่แล้วสันมางมาอะไรก็จะไปลงบุษยอยู่แล้วสันมางคือหมายความว่าไปพบกันที่ลงบุษยนั้นเลยที่โบด มหาทุกข์ก็คิดเราเองก็คิดคือคิดไว้สองแง่เดียกันถ้าจะไปพบทันติโบสก็เหมือนกับว่าไม่มีความเคารพเอื้อเฟื้อเนี่ยจะออาอาวาสนั่นความคิดของเราพบกทันติโบสเลยมันก็เหมือนกับพบกันกลางทางแล้วความเคารพกันไม่ได้ก็หมายของมันเราก็ไปแสดงความมันแต่นั้นท่านก็นว่รวางั้น นีว่านั่นท่านว่าแนั้นไม่ผิดนี่เพราะท่านไม่อยากยุ่งก็แท่านก็หมายถึงเอาความสบายสะดวกตรงนู้นสะดวกกว่าถ้าไม่มาถือว่าเคารพไม่เคารพนี่ท่านหมายพบที่นุ่นทีเดียวเลยสบายดีไม่จําเป็นจะต้องมาต้อนรับกันพบวันนี้แล้วก็ไปอุโบสถด้วยกันนั่นจําเป็นอะไรความหมายต่างกันเพราะท่านไม่อยากยุ่งนี่วันนี้เราก็เอาเข้ามาเทียบความเข้ใจเราทันทีได้ความเลย ท่านก็จะเหมือนเราเนี่ยเพราะจะไม่มีอะไรกับท่านเพราะเรื่องมันกลวงกันกับเราเราท่านว่าท่านว่าตอนนั้นท่านไม่มีอะไรภายในจิตใจท่านก็ไม่มีอะไรท่านไม่อยากจะพูดจะ อ, อะไรกใรัใครเลยเฮ้ยเอเอก็ เ, เป็นอย่างนั้นอยู่ลำพังเราคนเดียวอยู่จริงยังไงมันก็ อ, อยู่นะ นอนหนาวคอยอยู่อารมณ์ของคนคนเดียวแม่จะ น, นั่งก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่นั่นพระเราไม่เหมือนค า, ารวะผิดกันทุกอย่างแม่ให้ชื่อว่ามนุษย์เหมือนกันก็ต่าง แต่เพศของพระนี้เป็นเครื่องประกาศให้ทราบความเคลื่อนไหวทุกอาการนับแต่ภายในใจออกมาต้องมีแบบมีฉบับมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเพื่อเหตุผลคืออัดถังตลอดถึงพระวินัย รวมแล้วแต่เป็นข้อบังคับเพื่อความเป็นพระโดยสมบูรณ์พระของพระพุทธเจ้าคือพระสาวกอรหัตลหันนี่ผิดกันพระของเราเองมีแต่อิเลสเต็มหัวใจ ความมีกิเลสเต็มหัวใจก็คือความมีพิษภัยอยู่ในตัวของเราเองจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นเสนียดจันไหลที่เรียกว่าเทวทั์ขึ้นกับตัวเองและระบาดศาสตร์กระจายไปต่อผู้ใดก็ไม่มีใครจะทราบได้ในการจถานที่และเวลาใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มงวดกวดขันเพื่อการระมัดระวังอย่างแท้จริงแล้วจะต้องเป็นไปดังที่ว่านี่โดยไม่อาจสงสัยเพราะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในใจไม่เคยอ่อนตัวโดยหลักธรรมชาติของมันเลยจนทำนี้มีการอ่อนตัวได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะหมุนตัวไปเองและถึงขั้นคงเส้นคงวา ต้องมีการอ่อนตัวลงได้เมื่อขาดการบำรุงรักษาในขณะเดียวกันยังมีสิ่งที่คอยคอ ย, ย่ำยีตีแหลกอยู่ยเสมอคือค่าสึกของธรรมนั่นแหละแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิเลสตามภาษาธรรมท่านเรียกหรือท่านบัญญัติไวา้เหนี่การในเอียบ ท, ทั้งสี่ของพระ จึงจะอยู่แบบโลกสงสารทั้งหลายที่หากฎหาเกณฑ์หาความแน่นอนหาจุดหมายปลทางไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องให้มีกดเกณฑ์มีจุดมีหมายมีหลักอยู่ภายในตัวเสมอหลักธรรมชาติที่เป็นข้อยืนยันก็คือใจใจมีทําเป็นธรรมชาติที่รู้เสมอแต่รู้โดยความถูก ผักดันจากสิ่งที่พาให้หลงไปเป็นประจำจึงหาความรู้อันแน่นอนเป็นสัตว์เป็นจริงและเป็นสิ่งที่จะให้ความอดอบอุ่นตายใจไม่ได้แม้จะรู้ก็รู้ไปตามภาษีภาษาของซึ่งอยู่ใต้อำนาจของสิ่งผลักดันให้เป็นไปนั่นแหละฉะนั้นนักบวชเราจึงต้องพยายามเปลี่ยนความรู้สึก ให้มีกฎมีเกณฑ์ด้วยความมีสตินี่แหละชื่อว่ามีกฎเกณฑ์เป็นความรู้สึกที่ที่แน่นอนจะยังผลยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติคือความะรึกรู้อยู่เสมอในผิดถูกดีชั่วประการใดที่แสดงออกไปจากใจหากไม่มีสติแล้วความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายที่จะให้เป็นประโยชน์ กนเป็นเรื่องความรู้ลอยๆไปเหมือนโลกทั้งหลายหรือความรู้ทั่วๆไปนั่นแหละของบุคคลที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนหรือฝึกทรมานตนด้วยศีลไมรทำนักบวชเราเป็นอย่างนั้นแล้วเลวกว่าความเป็นของประชาชนและความรู้ใดๆเสียอีกเพราะเข้าก้าวเข้ามาสู่ความเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ความเป็นผู้มีสาระ ทันสำคัญคือทาแล้วต้องมีธรรมประจำใจอยู่เสมออย่างน้อยมีสติจะลึกรู้นี่คือสตินี้เป็นเครื่องทะยุมความรู้ให้เด่นมาเป็นสาระสำหรับตนถ้าไม่มีสติความรู้นั้นก็เล่ๆเล่นอนอนเราดูวิสัยเสดือน มันคืบคลานไปนั้นมันไม่มีความรู้อย่างไรมันมีแต่ความรู้เสดเดือนเป็นยังไงมันมีความหมายอะไรบ้างใหมนะเราดูสินั่นแหละความรู้ที่ไร้าสาระคือสติสาระปัญญาสาระก็เรียกว่าไร้าสาระธรรมนั่นเองความรู้นั่นมีจิตวิญญาณนี่เป็นธรรมชาติที่รู้แต่รู้โดย ความเป็นสามัญธรรมดาที่มีสิ่งไม่ดีครอ บ, บครอองหรือครอบงำอยู่ยึงหาสาระอะไรไม่ได้นี่เรากล้าเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติจึงต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงความรู้ความเห็นของตนให้เป็นไปตามอาตามัตตธรรมธรมซึ่งจะเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเดิมแบบจมกระทั่งถึงเป็นหลักอันสําคัญภายในใ จ, ใจิตใจสติฮังเก เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่แล้วปัญญานะอันดับต่อไปก็คือปัญญาความภาคเพียนก็เพียนด้วยความมีสติลำอันดับต่อไปก็เพียนด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องกํากับนะเพียนไม่มีสติไม่เรียกว่าเพียนเพียนปราศจากปัญญาไม่เรียกว่าเพียน เพียรต้องมีสติเพียรต้องมีปัญญาอดทนต้องมีสติต้องมีปัญญาไม่ใช่อดเฉยทนเฉยเรื่องของความเพียรเป็นเช่นนี้หรือเรื่องของการบำเพ็ญตนเป็นเช่นนี้ผิดกับกิจการงานทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราทำเร่อนหนึ่งเราทาอะไรหรือเราเดินไปตามธรรมดาสติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการก้าวเดินการก้าวเดินก็เป็นปราธรรมดา แต่การประกอบความภาพเพียรทางด้านจิตใจเพื่อจะแก้หรือถอดถอนกิเลสนี้ต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับนอกจากนั้นก็มีปัญญาเป็นคู่เคียมกันไปถึงจัดว่าเป็นผู้มีความเปลี่ยนความรู้เฉยเฉยไม่มีสติกำกับก็มไม่ผิดอะไรกับความรู้ทั่วๆไปได้ผลไร้ประโยชน์ ความรู้ที่มีสติจึงเนี่ยว่าความรู้ที่มีความเปลี่ยนเช่นอย่างนังปวดเราที่เขาให้ชื่อให้นามแม่ตนเองก็ยังรู้สึกว่าเป็นพระกรรมฐานดังที่โลกเขานิยมใหาชื่ออนนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างความเปลี่ยนของพวกเราเนั่นมาอยู่นี่หลายปีหลายเดือนบางองค์มีตั้งหลายหลายปีก็มี ทั้งเก่าทั้งใหม่สับปนกันไปนี้สาระแก่นสารที่ได้จากการอบรมเพราะการมาอยู่ที่นี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องหรือเป็นหลักใจนี่แหละความขาดสติความขาดความสนใจเป็นความจิงชากายเป็นหน้าด้านไปสาระสาคัญที่ควรจะได้ไม่ได้ ควรจะถึงไม่ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มีฤทธิ์มีเดชควรแกการปราบปรามทิเลทให้สิ้นสร้างกไปจากใจได้แต่ถ้ามาอยู่กับโมคะภิกษุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำวสัชแต่ว่าทำไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรตอกต่อสิ่งที่เป็นฆาตศึนอกจากสิ่งที่เป็นฆาตศึนั้นแสดงพิษภัยได้อย่างเต็ม ที่เต็มฐานเต็มอำนาจของตนเท่านั้นแล้วเราหวังพึ่งอะไรในการปฏิบัติของเราเมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้วันนี้ก็เป็นเช่นนี้และ ว, วันหน้าจะเป็นเช่นไรถ้าไม่ใช่เป็นไปตามนิสัยดังที่เคยเป็นอยู่นี้เท่านั้นเพราะนั้นเป็นแต่เพียงมืดกับแจ้งลักใหญ่เป็นอยู่กับตัวกับใจของเรานี้เท่านั้นถ้าเราฝึกนี้ไม่ได้แล้วกี่กับกี่การตายทิ้งปเปล่า ก็ไม่เกิดสาระอะไรขึ้นมาเลยแล้วอย่าคอยว่าจิต ด, ดวงนี้จะหลุดพ้นไปได้โดยหลับธรรมชาติธรรมนเพราะความพอตัวในการอยู่ในวัฏฏสงสารนี้นานแสนา น, สนานแล้วจนอิ่มตัวแล้วหลุดพ้นไปได้ด้วยความอิ่มตัวในส ม, มุิในกิเลสนาอาสวะ ต, ต่างหลายนี้เราอย่าไปหวังไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสว่าอย่างนั้น นอกจากจะทำให้เกลดมันหวานคอมันลงไปเท่านั้นเขีย่ยลงเขียงมันก็ไม่อยากยอมลงให้ปล่อยให้สับให้ยำจนแหลกเลยลาบไปก็ยังไม่อยากจะลงจากเขียงเท่านั้นนี่จิตประเภทนี้เป็นจิตที่ชินชาหน้าด้านอยู่บนเขียงไม่ยอมลงถ้าเป็นเนื้อก็เนื้อ อ, อยู่บนเขียงไม่ยอมลงเนี่ยจิตประเภทของผู้เป็นเช่นนี้ก็เหมือนกัน แล้อย่าคอยว่าจิตจะหลุดพ้นจากกิเลตันหาอาสวะเพราะความปล่อยไปตามยะถากรรมอยู่ไปกินไปนอนไปบวชไปหลายปีหลายเดือนหลายพัรษานอกจากเป็นความหน้าด้านขึ้นโดยลาดับลำดาหาความพากเพียรไม่ได้เลยและมีความฝักใฝ่ใส่ใจต่อความชัวช่วช้าละบมบทั้งหลายเท่านั้นไม่มีความสนใจที่จะ พึ่งปฏิบัติตนเพื่อความต่อดถอนกิเลสแล้วกิเลสตัวใดที่จะมีความเบื่อนหน่ายต่อจิตดวงนี้เราก็ไม่เคยเห็นมันกันและจิตดวงนี้จะมีความเบื่อนหน่ายต่อกิเลสตัญหาโดยไม่ต้องใช้ความพิจิตริยานและชำระสาสารก็ไม่มีอีกเหมือนกันด้วยเหตุ น, นี้ศาสนาจึงมีเพื่อชำระศาสารพระพุทธเจ้าจึงมีเช่นเดียวกับโรค โรคบางประเภทมันเกิดแล้วมันหายมันได้เช่นโรคหวัดถ้ามีมโรคแท็บแต่ถ้านี่มันไม่ใช่โรคหวัดกสิออืโรค ก, กิเลสฝังใจเป็นโรคหวัดเมื่อไหร่มันโรคจะทําคนให้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารนี่โดยหาประมาณไม่ได้เลยว่ากี่กับกี่กันไม่มีความอิ่มพอไม่มีต้นไม่มีปลายตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนั้นหาต้นหาปลายไม่ได้หมุนกันไปหมุนกันมาเช่นเดียวกับมดแดงไตขอบร่งนั่นแหละ ตาไปต่มาตายอยู่ของเก่าเข้าใจเป็นของใหม่เรื่อยไม่มีความอิ่มพอหาทางออกไม่ได้พร้อมกับความไม่สนใจที่จะออกเลยมันเป็นเช่นนั้นเรื่องของกิเลสจูงหัวใจสัตว์จูงหัวใจใครก็ตามเราอย่าไปคุ้นเคยกับกิเลสผ้าจะจูงออกให้หลุดพ้นจากทุกข์เข้าสู่พระนิพพานกิเลสมดทั้งโคดทั้งแท่ไม่เคยเห็นพระนิพพานมันจะจูงเราไปที่ไหนนอกจากจูงสัตว์ทั้งหลายลงในนรกจมไปจมมาอยู่นี้ เกิดในในภพนั้นภพนี้ซึ่งอยู่ในอำนาจของมันตลอดเวลาเท่านั้นจะไปไหนหาทางไปไม่ได้ง <c oughs> ั้นเราจะหวังอะไรทุวนันอะไรวิเศษเกิดมานี้กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระเราเห็นอันใดเป็นสิ่งที่วิเศษวิโสยิ่งกว่าอัดกว่าธรรมอ้าวมองไปสิมองไปไหนก็รูปรูปอะไรนั่นแน่ฟังเสียงเสียงอะไร วิเศษวิสโสอะไรตาใครหูใครจมูกลิ้นกายของไข่ก็สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนใครได้รับความวิเศษวิโสกับสิ่งเหล่านี้พอที่จะตื่นฟุง้งเฟ้อเห่อเหิมลืดลืมเนื้อลืมตัวไปตามสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งไม่รู้จักยับยั้งชั่งหัวใจตนบ้างเลยว่ารายได้รายเสียเป็นยังไงการสัมผัดสัมพันธ์กับโลกธาตุ สมมุติอันสมมุตินับแต่ขันของเราเป็นต้นไปถึงขันภายนอกสิ่งภายนอกนี้มานานแสนานานจนเปจนปัณณ น, น, นี้อะไรที่พอให้เราได้รับความมิเสียษมิโสที่ย่้เกิดความดูดดึงและเป็นจุกสมใจเราบ้างมีใหม่เท่าที่ผ่านมานี้มีตั้งแต่สิ่งที่ให้ผิดหวังผิดหวังท่านนั้นอะไรคว้าอะไรมาก็หลุดมือคว้าอะไรมาก็หลุดมือใครเป็นคนสมบังในโลกนี้ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดทั้งหลายดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีใครเป็นคนสมบังบ้างเห็นไหมถ้าเป็นสิ่งที่สมบังแล้วทำก็ไม่คว็นของวิเศษอะไรเลยโลกนี้อยู่ในนี้ก็พอพออยู่พอกินพอเป็นพอไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องต่อแสดงอัตต์ดซึ่งเป็นความสุขความเจริญและวิเศษวิสูอันใดเลยโลกนี้ก็วิเศษพอแล้วนี่เดี๋ยวนี้ที่เราว่าเราไม่มีความอิ่มพอก็เพราะเรื่องถูกหลอกตั้งหากของเกเรที่มันอยู่ในหัวใจ มันไม่ทําความอิ่มพอให้แก่ผู้ใดและใครก็ไม่มีความอิ่มพอในมันเพราะเราโง่เราไม่ทันกลมายาข้องมันมันอยู่ปากข้อใหปากข้อข้อกับอะไรมันมันก็อยู่ที่ตรงปากตาแล้วนั่นแหละเท่ากับปากนะปากตาปากหูน่ะอืมจิตคิดยับออกมาก็ออกแล้วกิเลสออกมาพร้อมแล้วนั่นแหละปากข้อใหญ่คือจิตกิเลสมันอยู่ที่นั่น อะไรอะไรมันทำงานใช่หมดทำงานใช่หมดก้านออกมาใช่หมดเราไม่ไม่ทันมันเลยนี่กลัวพวกมันเป็นขึ้นมาถ้าไม่ฝึกทำขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันแอรสชาติของมันที่เคยเป็นที่เคยสัมผัสสัมผัสมาแล้ว และรสชาติแห่งธรรมที่เราผิดขึ้นมาด้วยความภาคเปลี่ยนของเรามีสมาธิธรรมเป็นต้นมาเป็นคู่แข่งกันแล้วเราจะไม่ทันเรื่องของรสชาติของกิเลสและอนอุบายของกิเลส น, นี้ตลอดไปเลยไม่มีที่จะรู้ตัวได้ถ้าไม่ได้ไม่ผิดธรรมขึ้นมาเป็นคู่แข่งรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรให้ได้รสให้ได้รสชาติของธรรมนับแต่สมาธิธรรมขึ้นไปนั่นแหละจะเริ่ม เห็นเหตุเห็นผลกันไปโดยลำดับหากจิตหาความสงบผ่มเย็นไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่จะรู้สึกตัวจะหลงตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่ว่ายียาบทใดก็หาสาระอะไรได้ไหมไม่มีจุดที่ที่หมายอะไรเลยอยู่ไปอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาอยู่อยู่ที่นี่ก็ใจก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้แล้วันพรุ่งนี้ก็จะเหมือนกัน ในชาตินี้ก็เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเราตื่นอะไรเอาความวิเศษวิสโสมาจากอะไรจากชาติหน้าการเปลี่ยนแปลงในความเกิดแก่เก็บตายนี้เท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเราจะเอาความวิเศษวิสโสอะไรมาจากความเกิดความตายนี้อืชาติที่พตุคาชาลาปีตุคาเมลามปีตุขังท่านก็บอกไว้าชัดชัดอยู่แล้วมันวิเศษวิสโสอะไร <c oughs> เรื่องการเกิดการตายเป็นความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกโดยทั่วไปไม่มี สัตวตัวอะไรที่รับความตุกความสบายเพราะความเกิดความตายนี่เลยเรายังเห็นความวิเศษวิโสจากอะไรอีกที่ความเกิดความตายผิดให้เราเห็นอยู่นี้มันมีความวิเศษวิโสอันใดสติปัญญามีคิดเจปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อความคิดความรู้ความเห็นอันเป็นหลัก ใหญ่ที่จะแก้กิเลสอาสวะไปโดยลาดับลาดาบวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหาจุดที่หมายไม่ได้เลยเสมยผู้ปฏิบัติหากการเจาะแสดงหา อัดหารร ม, มันไม่มีครูมีอาจารย์มีผู้คอยแนะนาสั่งสอนนั่นก็เป็นอีกสถานหนึ่งนะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะครูอาจารย์ผู้แนะนาสั่งสอนโดยอัดโดยทรด้วยความถูกต้องแม่นยานี่เป็นของสำคัญมาก เ, เช่นเดียวกับหมอเถื่อนกับหมอที่โลกยอมรับนั่นแหละมันต่างกัน เฮ้ ห, หมอเถียนกับหมอปริญญาต่างกันในในระยะหรือในสมัยนี้ก็ดูไม่บกฟล้องครูบาอาจารย์ผู้แนะนำต่างสอนยกตัวอย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาลงมาโดยเรื่องด่าด่าตำหรับตำนาเราก็ได้เห็นถ้าจะเอาจริงเอาจัง แล้ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนเราก็ได้ยินได้ฟังว่าเป็นที่แน่ใจแต่ตัวเราเองเป็นอย่างไหนมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าเป็นไปตามที่ท่านสอนนั่นมันจะผิดไปไหนนอกจากไม่เอาไหนจะเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องได้ลาว เห็นโดยที้วันหนึ่งวั น, นมันมีอะไรแปลกต่างบ้างเรื่องของโลกมันก็หมุนเป็นกงจากอยู่อย่างนี้มาเป็นกลับเป็นกันแล้วแล้วตื่นลมตื่นแรงไปอะไรใครอยู่ในโลกนี้ก็ชุนมุลชุนมูลวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้เราเห็นใหม่มีเกาะใดดอนใดที่จะให้อยู่เป็นสุขสงบเย็นใจได้มีที่ไหนในบุคคลผู้ใด ในฐานหรือธาตุชั้นมันนะใดมีใหม่ถ้าไม่มีทาเป็นเครื่องอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจแล้วใครจะหาหลักเกณฑ์ที่ไหนก็หาไปเถอะไม่มีหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้พึ่งอะไรธาตุที่ดินน้ำนมไฟหรือแร่ธาตุต่างๆมีอยู่ทมไปเหล่านี้พาใครให้พิเศษวิโสมีใหม มันติดอันนี้ทังนั้นทางนั้นแหละทุกวันนี้แล้วตั้งแต่กลับไหนการใดมาก็ติดอยู่อย่างานี้แล้วยิ่งผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาหลอกกันไปที่ไหนมีแต่ผีหลอกหลอกกันหมดให้เราก็เอามาหลอกเราอีกไ ห, หาของจริงไม่ได้มีแต่ของหลอกแล้วเพลินมันไปเพลินกันไปเลยเป็นบ้ากันทั้งทั้งชาวบ้านชาววัดวัตถุเป็นของสําคัญมากนะ่เดี๋ยวนี้ยิ่ง ออกหน้าออกตาอะไรเอะตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาออกหน้าออกตาถ้าอะไรเป็นบ้าไปแบบด้วยวัตถุนี่อีกนะทําไม่มีความใจไม่สัมผัสน้ำพันธุน์ทพอที่ให้เกิดความกระยิบยิ้มย่องในใจมีแต่เรื่องของโลกก็บืรตายไปอย่างนั้นมีแต่ความหิวความกระหายความโกรธก็วายมีแต่ความหวังหวังหวังหวังไม่มีอะไรสนองความหวังนั่นเลย แล้วเรายังไม่ไม่รู้หรือเรายังไม่ไคิดอยู่เยื่องเรายังไม่บวกลบคุณหารบ้างเหนือความเป็นในใจของเรามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างเข้าไปมากน้อ ย, ยก็รู้เองนี่นะเพียงสมาธิความเท่านั้นก็เย็นใจแล้วเนี่ยแล้วปัญญายิ่งย่างลงไปด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นความขาดไปแห่งอารมณ์หรือที่เดชทั้งหลายโดยลาดับลํหนา นี่ก็ได้เทศเต็มสติกำลังความสามารถแล้วกับหมูกับเพื่อนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผมนี่เป็นเวลาทั้งสามสิกว่าปีแล้วก็ได้เทศเต็มเม็ดเต็มหน่อยเนื่อยมาเต็มสติกำลังความสามารถแต่ผลที่จะปรากฏับ้างมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีนี่ดิทำไงสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยและไม่สงสัยในการสอนซะด้วยผมไม่สงสัยผมพูดงงง เพราะเจ้าของไม่สงสัยในเจ้าของทั้งเหตุที่ดําเนินมาแล้วผีดถูก ป, ประการใดก็ผ่านมาด้วยความมีเหตุมีผลเป็นความจดจำของเจ้าของเป็นคาารูบระจำมาโดยลําดับทั้งผิดทั้งถูกในการตะเกียกตะกายที่ดําเนินมาจนกระทั่งได้รับเสร็สานว่าเป็นครูปาารยจำของหมู่ของคณะมาทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยทั้งเหตุทั้งผลได้นํามาชี้แจงแสดงบอกหมู่เพื่อน ทุกแง่ทุกมุมเต็มกําลังความสามารถของตนมันก็น่าจะยึดได้นะแต่ทําไมยึดไม่ได้วิธีการหนักเบามากน้อยในการประกอบความพักเพียรหรือการต่อสู้กิเลสก็ได้เล่าให้ฟังหมดผู้ปฏิบัติต้องสังเกตจริตนิสัยของตนเจ้าวแตความสะดวกสบายเข้าไปไปว่าไปทํางานกับกิเลสความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกิเลสเราเอาความสะดวกสบายไปสู้กิเลสได้อย่งไร ือนอกจากนอนจมเท่านั้นทิเลศมันชอบสบายอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงไปหิวโหยไปตลอดหาความอิ่มพอไม่ได้เรื่องก็ยังไม่เข็ดไม่หลับทำมีความอิ่มพอไม่อยากได้ไม่อยากสนใจทำไงก็บอกแล้วแม้แต่ขั้นสมาธิก็มีความอิ่มพออิ่มตัวขณะที่กิดสงบตัวลงไปแล้วอิ่มนั่นเห็นไหม เห็นชัดเจนอิมอารมณ์ทั้งหลายไม่อยาบยุ่งอย่างเดียวมุ่นหมากับอะไรออกนั้นก้าวทางเข้ า, ข า, ขาทางด้านปัญญาเอาจับลงไปที่ตรงไหนอันนี้จังตุกขังหน้าตามันเป็นไฟอยู่ภายในกายในใจของเราท่านั้นเอาสติปัญญาจับลงไปจับลงไปฟาดตรงไ ป, งไ ป, งไ ป, งไปมันก็รู้เองเพราะความจริงมีอยู่อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเมทนาสัญญาสังขายนยานิญญาณแล้วเรารอบหัวใจเรามันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น สติปัญญารอบลงไปจับลงไปทําไมจะไม่เข้าใจเมื่อเข้าเมื่อเข้าใจตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันก็ขาดออกไปขาดออกไปขาดออกไปให้สิ่งที่จะมากดท่วงจิตใจก็เบาบางลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขาดออกหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็รู้อยู่ที่ใจนี่ก็ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่สดๆรลล้อนๆจะซึ่งผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ที่ใจของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นท่านก็บอกแล้วว่าปัดจังตะลังเวหนึ่ง แลสรรทิฏิโกหนึ่งบอกใครก็บอกผู้ปฏิบัตินั่นแหละทำนี่ไกลอยู่ที่ไหนมีใครที่ไหนหรือมีสูงมีต่ำที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจอืมมีว่าครึ่วันลาสมัยที่ไหนมีที่หัวใจนี่เอาลงไปตรงนี้ทีผู้ปฏิบัติ เลี้ยวไหลไปเลี้ยไหลไปมาเขามากมาสับปนกันแล้วเลยยุ่งไปหมดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่เก่าก็เป็นอีแบบหนึง่งผู้อยู่ใหม่ก็เป็นอีแบบหนึง่งมาใหม่เป็นอีแบบหนึง่งและมีตั้งแต่แบบที่หน้าทุเรศนั่นจะทำยังไงผู้ปกครอ ง, องเรื่องกิเลสมันออกได้ง่ายที่สุดนะก็บอกแล้ว มันเร็วที่สุดไม่มีอะไรเร็วเกินกินเลสก็บอกแล้วเราตามไม่ไมทันถ้าไม่ดูติดหัวใจตลอดเวลาตามไม่ทันแล้จะไปตื่นแต่เงาเนะ่ะที่มันออกไปวาดภาพอยู่ข้างนอกเป็นบ้ากับมันนั้นหาความรู้ตัวไม่ได้แหละนี่จึงลำบากอยู่มากนะการปฏิบัติธรรม เวลานมันอิดมันหยาบอยู่ด้วยสิ่งที่หยาบความเปลี่ยนก็ต้องให้หนักมือนักหลักเกณฑ์เป็นอย่างนั้นถ้าความเปลี่ยนไม่หนักมือก็ไม่สมเหตดสมผลกับสิ่งที่มันหยาบซึ่งมันมีน้ำหนักมากกว่าความเปลี่ยนความเปลี่ยนต้องในหนักนี่ต้องหาวใบาพลิกแพงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในเรื่องความภากเปลี่ยน อี้ยาบทต่างๆพิกตัวอยู่เรื่อยๆไม่งั้นไม่ทันเราจะเอาแต่ว่าศักดิ์ธรรมศักดิ์ธรรมตาม่ร่าเวลาอะไรหรือมีโครงการหนึ่งนั้นหนึ่งนี้ไม่ได้เรื่องอต้องดูหัวใจเจ้าของสไปหาโครงโครงโครงการมาจากไหนกิเลสมันไม่เห็นมีโครงการมันเป็นกิเลสตลอดเวลาทํางานอยู่บนหัวใจเราตลอดมาเนี่ยเราทํางานอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียร ในหัวใจเราตลอดไปไม่ได้หรอือมันทําไมจะทําไม่ได้พิเหลี่ยมยังทําได้ทําทําไม่ได้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ได้อย่างไงเมือ่อพระพุทธเจ้าทําได้สาวกทําได้บริสุทธิ์ได้เราทําไมจะทําไม่ได้จะบริสุทธิ์ไม่ได้หรือก็เอามาสอนเจ้าของสิสิ่งที่ท่านสอนไม่ล้วนแล้วแต่ท่านเป็นไปแล้วทั้งนั้นได้ผลมาหมดแล้วจึงได้นํามาสอนพวกเราอย่างท่านสอนว่าสมาธิปัญญานี่ อันนี้น่ะหลักใหญ่ท่านฝึกมาแล้วจนจิตเป็นสมาธิจิตพระพุทธเจ้าเป็นสมาธิก่อนผู้อื่นผู้ใดนะไปลบล้างได้ไงว่ า, าศาสนานี้ไม่มีสมาธิแล้วปัญญาพระุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนผู้ใดแล้วจะไปลบล้างได้ไงว่ า, าศาสนานี้ไม่สอนคนให้ฉล า, าดไม่มีปัญญาอ่ะมีมุมดดูดพ้นพระุทธเจ้าทรง ร, ร, งรู้ทรงเห็นก่อนกายทั้งหมด แล้วจะลบล้างได้ไงว่ า, าศาสนานี้ไม่มีมรรคผลนิพพานฮ <c oughs> ก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในศาสนานี่แล้วย่อนเข้ามาหาตัวของเราผู้นมามฏิบัติก็เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานในตัวของเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุเจ้านี่เป็นไปไหนอื <c oughs> ขาดไปไหนไกลยอยู่ที่ไหน <c oughs> คือที่ไหนลาสมัยที่ไหนถ้าไม่ถูกต้มจากยิเรทเท่านั้นมันต้มมานานแล้วนานานนะ่ะเหมือนอย่างเรื่องเกิดเรื่องตายก็เหมือนกัน เกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่าทุกรวงวิญญาณเป็นอยู่นี้ตลอดทั่วโลกดินแดนหาความบ้างจากความเกิดความตายของจัตดไม่ได้เลยมันยังมันยังหลอกยังต้มสัตว์ทั้งหลายว่าตายแล้วศูนย์ได้อยู่เห็นไหมแล้วเราโง่ขนาดไหนดูสิเรานี้มีตั้งแต่เรื่องเกิดมาทั้นั้นเต็มแผ่นดินอยู่นี้เต็มโลกเต็มสาวนี่เกิดมาจากความมีเอาความมีมาเกิดความสูนยเอามาเกิดไม่ได้ฮะมันเอาควา ม, มีอยู่มาเกิดถ้าสีดินัน่นงเลยนั่งลมไฟไม่มีเอามาเกิดได้ยังไงนะ่ะ ใจมีใจไม่มียะเป็นเชื่อพาใมันจะพาใท่องเที่ยว ไ, ยไร้ยังไงมันเชื่อจะเข้าไปอาศัยใจพาท่องเที่ยว ไ, ยไร้ยังไงนี่มันมีอยู่มีอ ย, อยู่มีอยู่ตลอดมาเ อ, ออยังหลงหลับหูหลับตาเชื่อมันตายแล้วศูนตายแล้วศูนย์ดูซินะโง่ขนาดไหนจิตใจมนุษย์เราเราเอาว่ามนุษย์เรานี่แหละสาต์มันไม่รู้ภาษีภาษาเลยมันไม่ควรจะอาจจะทําอะไรไม่ต้องเข้ามาบัญชีมนุษย์เราอยู่ในบัญชีที่ควรจะรู้จะเห็นทึงว่ามันโง่จะตายไป ไม่ดูหัวใจเจ้าของมั่งเลยทำท่านสอนป้างป้าวอยู่น่าจะเอาทำนั้นเขามาสอนมาดูมันก็ไม่มายอมมาดูให้ตะกีเดียวเยี่ยมเยี่ยมทำลายตอลอดเวลามันโกหกไปตลอดเนี่แหละเนี่ยเกิดมาอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่การมันกับให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้ยังว่าศูนย์ทศศูนย์ไมได้นะมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราตัวเกิดก็เห็นอยู่ในตัวของเหล่านี้ ในตัวนี้ไม่บกพร่องอะไรออกมาจากสําเร็จมาจากความเกิดดินน้าหนุมนายปรากฏขึ้นมานี่เห็นไหมจิตที่รู้หรือกรู้อยู่นี่เห็นไหมแล้วยิ่งได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนานให้มันเห็นเป็นไปตามหลักที่พระเจ้าทรงส อ, งสอนจริงๆได้ด้วยแล้วหาที่สงสัยไม่ได้เลยอืนอกจากสลดสองเพศประเดิมดับลมหายใจเท่านั้นเอวิชาปัญญาสร้างขาา้าราสร้างอาลาปัญญาวิญญาณแหวะละเอียดมากซึ้งมากทีเดียว ขี้หัวกิเลสชัดๆชตดๆชัดๆชัดเลยตัวกิเลสหัวกิเลสตัวที่พาให้เกิดตัวที่ทักจงจิตวิญญาณล่าจิตวิญญาณของสัตว์แต่ละดวงละดวงละดวงให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดทุกดวงวิญญาณอวิชชาปีญาได้ก็เทือนหมดสามแดนโลกธาตุก็เทือนอวิชชาปีญาของจิตแต่ละดวงละดวงดวงวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์นี่มันชัดขนาดนั้นนะเอาลงไปพิจารณาลงไป วิชาปัญญาตั้งคาราถึงขั้นปัญญาแก้วกล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่ทะลุไปหมดเลยนี่แหละผู้ที่เจ้าทรงรู้รู้อย่างนี้เองถ้าก่อนไม่ทรงรู้ไม่เห็นเอเพราะความยังมากกระจ่างแจ้งพอยานางอุดปาริปัญญาอุดรปาริวิชาวุดปาราโลโกอุดปาริเ ด, รดกระจ่างขึ้นมาเท่านั้นแห ล, ละกิเลสทังไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ทรงเอานี่แหละมาแสดงพระองค์ทรงเป็นก่อนแล้วจึงน น, นํามาแสดงทั้งเรื่องของกิเลส เรื่องอวิชาตันหาที่พาให้เกิดใช้ตายทั้งเรื่องวิมุตต์หลุดพ้นใช้กันว่าในอวิชานั่นแหละว่านิโรโทโหโตินะั่นอวิชัยอวิชัยาตะเวรวาเสสวิลายาลิโรธาสร้างฆาลาลโรโทเป็นต้นจนกระทั่งถึงนิโรโทโหตินั่นที่แรกอวิชยาปยาสร้างฆาลาเลือดไปก่อนจนสมุทโยโหโติอันนี้เป็นเชื่ออันสาคัญที่สืบหน่อต่อขแขนงกันไปแล้วล้วนแล นะเอวเมตสากีวราษฎรุขขัณฑะช า, า, าสมรุรโยโหตินี่คือล้วนแล้วตั้งแต่สมุไทยทั้งนั้นนะที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นอวิชชาจกนกระทั่งถึงนี้ท่านความหมายว่าอย่างนั้นแปลออกมาท่านี้พออวิเชอวิชายตเววาเซสวิลคาริโรธาสร้างคาราลุตแล้วจนกระทั่งถึงเอวเมตสากีวราษฎรุขขัณฑะนิโรโทโหตินี่ทั้งหมดนี้เป็นภาคนิโรดดาบที่เดือดตัณหาวิชาโดยสิ้นเชิงหนานั่นคือเอามาทั้ง ต้นเหตุา้ายสัตว์เกิดเอามาทั้งทั้งผลแห่งความบุญพ้นจากที่เกิดโดยประการทั้งปวงมาแสดงให้พวกเราฟังอวิชชาปัจญาสร้างขลางจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีอยู่ในหัวใจของทุกดวงนี่แหละแล้วทําไมมันจะสูญไปไหนเชื่อมันพายให้เกิดเห็นอยู่ชั้นชั้นชัช้นนี้ถ้าปฏิบัติให้เห็นแล้วปฏิเสธได้ยังไงก็จิตรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่ของไม่มีรู้ได้ยังไงของไม่ไม่มีเห็นได้ยังไง นี่มันปฏิบัติหลับตาเชื่อเอาหนชาจูงจมูกขาดไปมันก็เป็นอย่างนั้นทีมันยังจะถูกจูงจมูกไปอีกกี่ครับกี่การเงิรู้ว่าตายแล้วศูนย์แต่และศูนย์ตัวนั้นแหละตัวที่ถูกจูงไปที่ว่าศูนย์ศูนย์มันไม่ได้ศูนย์ที่นะนาจูงไปตลอดเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบน้อยพบใหญ่ไม่มีสิ้นสุดได้เลยตั้งท่านหลักธรรมทั้งกล่าวว่ า, า, าไม่มีต้นไม่มีปลาย ก็คืออวิชาจูงสัตว์เรื่องของวิชาไม่มีต้นไม่มีปลายท่านเทียบเหมือนมดแดงไตกรอบร่งจูงสัตว์ไปให้หลงอยู่งั้นตลอดของเก่ามาแล้วกี่ครั้งกี่ผนก็จําไม่ได้ไม่ลืมไปหมดไม่เห็นเหมือนจูงคนตาบอดนี่จูงไปไัญหากระจูงไปเธอเออถ้าไม่บอกมันเท่านั้นมันจะไปรู้ได้ไงว่าเป็นของเก่าของใหม่นะจูงไปไหนกี่ร้อยกี่พันครั้งของเก่านั้นมันก็ไม่มีทางรู้ได้คนตาบอดเนะ อันนี้ก็มันกันหัวใจถ้าลงบอดด้วยอํานาจของอวิชชาปิดบงังแล้วมันก็เป็นทํานองเดียวกันมาเกิดกี่พบกี่ชาติจีกับกี่กันของเก่าของใหม่ซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านครั้งที่ซ้ําไปซํำมามันก็ไม่รู้มันก็จาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจิเลสมันติงครอบหัวอีกว่าตายแล้วศูนยนั่นที่ไหนถ้าศูนแล้วกิเลสมันอยู่กับอะไรเมื่อจิตใจทุกดวงก็ศูนไปแล้วกิเลสมันมีมันมีอํานาจ มาแผ่พังพานอยู่ยังไงทุกวันนี้มันมาแผ่รัศมีอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกได้ยังไงถ้าว่าเอจิตใจของสัตว์โลกก็ศูนย์แล้วกิเลสมันอยู่ได้กับอะไรมันถึงไม่ศูนย์นี่ยก็ใจไม่ศูนย์กับกิเลสมันมันก็อา ศ, าศาัยที่ใจไม่ศูนย์เช่นเดียวกับอสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กนั่นแหละที่ไม่มีเหล็กสนิ ม, มนเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเหล็กมันกัดเหล็กนั่นให้สึกให้กร่อนไปนั่นนี่กิเลสมันเกิดขึ้นจากใจมันทําลายใจ ให้เดือดร้อนวุนวายให้ทุกข์แต่ไม่คิดหายใจตรงนี้หน่ะผิดกันตรงนี้เท่านั้นเองมันจุงชาจุงอยู่อย่างนี้เอาปฏิบัติเข้าไปถ้าท่านท่านทลายอยากรู้เอาที่ปัญญามีหลักที่จะขาดค่าเกเจริงๆถ้าอาวุธที่จะค่าเกเรจริงสติกับปัญญาสําคัญมากทีเดียวเป็นเยี่ยมฮะไม่ห่างจากนี้ไม่ได้เลยปราศจากนี้ไม่ได้สติกับปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเดลียวกันอย่างที่ท่านว่าภาวนามยาปัญญา จนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญาไปจากภาวนามายะปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนแล้วนี่พระเจ้าทรงรู้แล้วภาวนาภาวนามายปัญญาก็ทรงรู้แล้วมหาสติมหาปัญญาก็ทรงเป็นมาแล้ววิมุตติหลุดพ้นก็ทรงเป็นมาแล้วอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาภก็พระองค์ก็เป็นนักเกิดเกิดเจ็บตายมาแล้วเอจนกระทั่งถึงสุวรรณโยโหติพระองค์เป็นหมดแล้วแล้วทีนี้ย้อนกลับอีกว่าอวิชาสิ้นซากไปโดยลําดับลํำดาไม่มีอะไรเหลือเลย ก็พระองค์ก็เป็นมาแล้วแล้วนําเรื่องนี้มาสอนพวกเรานําเรื่องความมีความเป็นความจริงนี่มาสอนไม่ได้นําความศูนย์มาสอนเราทําไมเราจึงไปเชื่อขี้เลศว่าศูนย์ศูนย์ูนย์ี่เ ห, หมนนี่ละกองทุกที่สัตว์ทั้งหลายนี่ตายกันอยู่เพราะความหลงกลมายาวของขีเลศไม่ได้ยอมฟังเสียงธรรมพุทธเจ้าที่เป็นของจริงนี่เลยให้เราก็ฟังหลายฟังให้ถึงใจสิอืมนี่พูดอย่างถึงใจนั่นนี่พูดนี่เคยโดนกันมาอยู่แล้วนี่เราสู้กับพวกนี้มาพอแล้ว ไม่ใช่เอามาพูดอย่างเปล่าๆไม่ว่าไม่ใช่แบบนาเรื่องพระเจ้ามาพูดอันนั้นเป็นหลักฐานอันใหญ่ที่ผู้พี่พรเจ้าทรงเป็นมาแล้วแล้วหลักฐานอันใหญ่สําคัญที่เป็นคู่เป็นพยานกันเรียกภาสาที่จะโกดเราต้องปฏิบัติสิให้มันรู้มันเห็นนั้นทีนี้พูดอย่างอาถรรไม่จะทกสถานเพราะเป็นความจริงอย่างนี้แล้วคนในคอรนี้เราก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านเป็นศาสตาพระองค์เดียวเท่า น, นั้นสอนโลกในทั้งสมโลกทําไม่จึงสอนได้ทั้งสามโลกหลักคนอื่นใครสอนได้มีไหม ก็เพราะความรู <mentor> sí <ide> ้ความสามารถของพระองค์ท <en Tro il marriage> ี่เห็นประจักรพระไทยนั่นเองเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่รู้อยู่นี่หนานี่ไหนนะทําไมจะไม่อาจฐานเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนอกจากคนตาบอดมาเห็นท่านตาดีท่านเห็นท่านชี้ให้ดูที้ดูนี่เห็นไหมไหมเหมือนก็อยู่ในฝ่ามือนี่ดูซิดูนี่อยู่ในฝ่ามือผู้ตาดีก็หยิบได้เห็นได้ตามท่านนังที่ว่าอุคติตรยูวิปปวิปปิจิตตรยูเนยะนี่พวกนี้รู้ได้เห็นได้เป็นลําดับหนะพวกมี มูม่ผีหูมีตารู้ตามพระองค์อืมพวกป่ท่าปนมะมันก็หมดท่าอยอมไม่ยิเลยลากจมูกไปขาดไปเรื่อยๆไปไม่ไม่ไ ม, มีสิ้นสุดเลยแต่ว่าเอาตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูญอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ลากพวกที่ตายแล้วสูญนี่ลราให้ป เ, ปเป็นทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเลลวลาเพราะความจริงมันไม่ศูนเนี่ยนะโอ้ยยาทรงรู้หมดแล้วในเรื่องเหลนี้อย่างที่ว่าปัญญาปัญญาอย่างที่ผมพูดแต่กีน้นี้เรายอมรับ ถึงขั้นมันเป็นของธรรมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่เชื่อพรสะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆมันเป็นอยู่ในหัวใจเหล่านี้เป็นในหัวใจพรุทธเจ้าฉันใดก็เป็ น, นหัวใจเราฉันนั้นแน่ถ้าเรื่องข่ากิเลสก็เหมือนกันถึงระยะที่สติปัญญามีพอตัวแล้วมันเป็นอย่างที่ว่านี่จริงๆอยู่ไหนก็อยู่เถอะในเยวบททั้งสีจะไม่มีปัญหาใดเลยมักจีดมากขวางกิเลสตัวใดปรากฏ ข, ขึ้นมาพังพังหมดพระลงสติปัญญานี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยหลักธรรมชาติโดย อ, อ, อ, อ, อัตโนมัติทั้งตัวเองเพราะอํานาจของ สติปัญญาขั้นนี้มีพอแล้วเป็นเองไม่ต้องไม่ต้องมาฝึกมาเอาลมนี่ขั้นขั้นเป็นเองเป็นอย่างนั้นขั้นที่ยังล้มลุกคุกคลานก็เหมือนอย่างเราตอนท่านทต้องหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้แหละเอาเกือบเป็นเกือบตายก็ให้มันเหยียบเอาเหยียบเอาอยู่นั้นน่ะเหมือนริ้งโคลกขึ้นบนจมปวกขึนมาริ้งไปมันมันริ้งทับหัวเราต่อหน้าต่อตาเพราะเราไม่มีกําลังสามารถต้านทานมันไม่ได้นี่กิเลส ซึ่งเป็นเหมือนครอบก็เหมือนการเวลามีอำนาจมากมันกิ่งทําเราอย่างนั้นเหมือนกันผมเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่อามาคุยอวดหมู่เพื่อนนะผมพูด ต, ตามความจริงบางทีน้ําตาร่วงกัดฟันนะ่ะเมื่อไหร่กูจะได้เอามึงสักนะทกนนนนะีน่ะถึงขนาดนั้นนะนี่แหละที่ ท, ที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างเท้าที่ว่าจิตเสื่อมนั่นแหละเราได้เห็นมาจากตัวทีเดียวทิ่เข้าได้บ้างไม่เข้าได้บัางแต่ก่อนเข้าได้สนิทสนิ ท, น ท, นทเหมือนหินนะเวลา มันเป็นจิตเป็นสมาธิแน่นเหมือนหินสุดท้ายมันก็มาเสื่อมเพราะอะความไม่นอบน้อมของตัวเองไม่รู้จักวิธีรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเสื่อมไปแล้วตั้งปีมันเข้ามันขึ้นไม่ได้มันกลับตัวไม่ได้จเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงจเจริญขึ้นแล้วแหละเสื่อมลงมีแต่เครียดแต่แค้นเหมือนกับว่าสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเองเครียดก็เครียดแค้นก็แค้นแคนให้เสือแค่เครียดแค้นให้เสือแต่เวลาสู้สู้มันไม่ได้เรามีกำปั้นมันมีเล็บมี มีเคี้ยวมันกัดเอากัดเอาตะปบเอาเลือดสาดเลือดสาดเรามีตะกัมปั้นสู้นมาได้แต่แขนเทียบแขนแ น, น, นี่พอขึ้นหัวมันได้แล้วเอาเลยเอาอยู่แล้วที่นี้เทียบขึ้นอีกเป็นกองมาณหนึ่งเหมือนกับช้างเมื่อขึ้นตะพอมมาแล้วขอกั้นหน่ำมันลงไปเลยเร <c oughs> วจรึงได้เชื่อเรื่องพระโคติกัดท่านเจริญชานมาถึงห้าขนหกขนเสื่อมแล้วเจริญเสื่อมแล้วเจริ ญ, รญข้างที่ข้างที่หกดวงมันน่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ห้านี่แน่แล้วขั้งที่หกมยังมีสงสัยอยู่นี่พระโคติกัด น, นั้นเนี่ยมีในประวัติในธรรมบทซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนของประเรียนสามประโยคนนั่นพระโคติกัดนี่้านท่านเจริญสมาธิสมบัติเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงห้าหนจนจนตั้งถึงจะห้าตัวตายนั่น นั้นพิจารณาสเราไม่ต้องเอาไปมากกว่านั้นอเราบอกจนถึงจะฆ่าตัวตายนี่ก็ถึงจยุดอันสมบูรณ์แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลา ม, มันมันเสื่อมลงไปนี่ความเครียดความแค้นนี่แห่ทุกนี่ทุกแสนสาหาดไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าในหัวใจเรานะไม่มีอะไรทุกยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมแต่ก่อนไม่ได้สมาธิไม่เป็นจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เทียบกันหน้ากับคนที่เขา หาชาวจินเย็นนั่นน money, 10, 100, 000, 000, 000, 000. Nurture, yep. ี่ยเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาจะเอะไรมาเสียใจเพราะความร่มจุมของเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านหราเขาหาชาวจีนเย็นเขาสบายกว่าคนมีเงินแสนเงินล้านที่ล่มจุมไปด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรหนึ่งนั่นผู้นั้นจะร้อนมากที่สุดนี่ก็เหมือนกันคนที่ไม่เคยเจอสมาธิก็จะอะไรมาเดือดร้อนนี่เคยเจอเคยเป็นมาแล้วเวลาจิตเสื่อมยังไม่ ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ไหนหาความสะดวกสบายไม่ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่น่าชมอยู่คือ่ไม่ถอยเอาใช้ได้เอาแล้วเครียดแค้นเครียดแค้นเพื่อสู้จนกระทั่งถึงจิตได้เข้าสู่ภาวะเดิมแล้วไม่เสื่อมนั่นแหละคือนี่นะเอายันอย่างหนักเลยเนี่ยในชีวิตของผมหรือในการปฏิบัติของผมก็มีพรรษานั้นทิธิว่าเลยละ่ะคือพรรษาเก้าเก้ากับพรรษาสิบ ออกกันอย่างหนักมากทีเดียวพอได้จิตก็สมาธิได้ที่แล้วก็ได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองเลยทีเดียวอ่าพาในจิตใจนี่แหละไม่ได้พูดออกมาออกปากปังๆแป้ ง, ปงอะไรแล้วตัดสินใจกับตัวเองเรียกว่าทําความเข้าใจกับเราว่าถ้าจิตของเราได้เสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นู่นนะฟังสินี่แหละทาให้เชื่อพระโคตริกัดนะ่ะมันจะตายแน่ๆไม่ทราบว่ามันจะตายด้วยแบบไหนผมก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้าลงได้เสื่อมเขานี้เพราะฉะนั้นเวลาจิตได้ก้าวขึ้นเข้าสู่ความปกติของมันมันไม่เสื่อมแล้วจึงเอากันใหญ่เลยทีนี้ขันนาใหญ่เลยจะเป็นจะตายก็อ้าตายแต่จิตนี่เสื่อมไม่ได้เสื่อมไม่ได้มันก็เหมือนกับ น, นักโทษคารุโทษนะอผู้ต้องหาคารุโทษถูกบงังคับบีบกันตลอดเวลาจิตมันจะคิดไปไหน่ทีนี้เวลานั่งได้ตลอดหามลูกหามข้ามก็เพราะอันนี้เองพาให้ผมเป็นไปได้นะ นั่งหามลูกหามข้ามตลอดลุ่มตลอดลุ่มตลอดลุ่มไม่ลู่กี่คืนกี่คืนแต่ไม่ได้ติดกันดังที่เคยเล่าให้ฟังนั้นน่ะนี่เพราะความเครียดแค้นเครียดแค้นในทางธรรมเป็นอะไรไปเออเครียดแค้นทางโลกเป็นกิเลสเครียดแค้นโดยธรรมเป็นธรรมไม่งั้นไม่ทันกิเลสอืมกำลังของกิตด้านธรรมะไม่มีสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกําลังธรรมะไม่มีกําลังสู้กันไม่ได้ความเครียดแค้นของกิเลสมาแบบหนึ่งความเครียดแค้นของธรรมเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อฆ่ากิเลสนั่นมันแก้กันอย่างนี้เที่ยงวามาก แก้ฆ่าสมูทไทยแก้สมูทไทยร้างแถร้างสมูทไทยเป็นอย่างนี้ธรรมะแก้กิเลสแก้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะนี้นี่พูดด้วยความแน่ใจทีเดียวไม่ไดมีความสงสัยในการปฏิบัติตัวเองเพราะได้ผ่านมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ถึงเวลาจิตมีกําลังเอากันอย่างขนาดนั้นนะ่ะนั่งจนก้นพองเลยว่าไงพองกับพองมันไม่ได้สนใจนี่นะแต่ว่าอะไรไปฟาดกันซะจนความฉลาดแหลมคม ในขณะที่มันจนกรอกจนมุมมันจะเป็นจะตายจริงๆมันไม่มีทางออกมันช่วยตัวเองก็เห็นชัดๆโอโ้โหคนเรานี่ ม, นมันไม่ได้ง่อยู่ตลอดไปหนานาดั้นมันก็รู้ในเวลานั้นเองถึงคาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองได้น่ะเพราะเราก็ได้ช่วยตัวเองมาอย่างจริงจริงไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ของสติปัญญาที่มันจะไปได้อย่างรวดเร็วหมุนตัวเป็นเกลียวไปอย่างรวดเร็วขนาดนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเห็นนลยแล้วได้เห็นกันแล้วจิตที่ ถูกสติปัญญาหว่านล้อมรักษาไว้อย่างด้วยดีลงถึงขั้นอัศจรรย์ก็ได้เห็นแล้วในเวลาที่นั่งตลอดรุ่งร่างตลอดรุ่งนั้นนะได้เห็นชัดเจนชัดเจนชัดเจนออกมาโดยลำดับ น, น, นั่นเป็นเครื่องสังใจยสังใจนี่พูดถึงเรื่องความเคียดแขนให้กิเลสเป็นอย่างนั้นนะอืพอก้าหลังจากนั้นไปแล้วก็เป็นทางด้านตัญญาเอาที่นี้ปัญญาอันนี้ไม่ต้องในบังคับถึงขนาดนั้นละทีนี้นะอันนี้เป็นปัญญาปเภทหนึ่งที่ได้ออกอย่างผาดผลี่ ในคีต้องเราก็ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไะแล้วในตัวของเราเองแต่นี้พอถึงขั้นที่สติปัญญาก้าเป็นน้ำนํำซับน้ําซึมหรือเป็นน้ำไหลหลินหรือละโจรลงมาจากภูเขามันก็เห็นแล้วไม่มีเวลาเวลาเอาที่นี่นี่แหละที่ว่ากิเลสอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ก้าวแล้วก้าวเดินแล้วสติปัญญาก้าวเดินแล้วที่นี่เรียกว่ากองทัพธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหธรรมทุกอย่างกลมกลืนเป็น เรียวกันแล้วพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่ใช่เรียวกว่าภาวนาเมย์ปัญญาหนุนกันไปหนุนไปจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญาหลังจากตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับขนาดไหนว่าจิตนี้ได้เผลอไปมีไหมไม่มีนั่นฟังเสกไม่มีไม่มีไม่มีมมมมนั่นถึงขั้นเป็ น, นงเทนี่กิเลสตัวไหนมันจะโผล่หน้ามามีแต่ค้นหากิดเลสโดยท้ายเดียว ที่จะให้กลัวจิตเด็กนั้นเกิดจิตเดกขึ้นไม่มีมิเตอให้ให้เจอให้เจอเจอตรงไหนพังเลยเจอตรงไหนพังเลยย้อนกรทั่นมันไม่มีอะไรเหลือพานาใจมันก็รู้นี่ว่าไงเอาจนกระทั่งถึงมันลาบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยขาดตะบันไปหมดระหว่างจิตกับโลกธาตุที่มันเคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนกระทั่งแกะไม่ออกหรือค้นหาไม่เจอว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเกี่ยวข้องจนกระทั่งไม่เจอเลยมันก็จะเออที่ว่าไงขาดตะบันจากการเห็นชัดเจนแล้วมันไม่เชื่อวิจัยจะเชื่อใคร ใครเป็นคนสอนไม่ทำเหล่านี้ใครเป็นคนรู้มาก่อนแล้วถ้านเป็นชายวุรีเจ้านี่เรารู้จักใครจากคำสอนของพระเจ้าแน่ทําไมมันจะไม่ยอมบบรับพระเจ้าพระสาวกสละหลักฐานทั้งหลายแล้วไกลที่ไหนวุรีเจ้ากับสาวกทั้งหลายไกลที่ไหนมันอยู่ในความจริงสัจธรรมที่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วเวลานี้สัจธรรมมีไหมพวกเราหรือพวกพระพรอมเหรอไม่มีหรือสัจธรรมทุกข์คืออะไรมีไหมบีบไหมหัวใจเราเอาหัวใจไม่ต้องออกมาร่างกายฮึสมุทัยเป็นยังไงมันดิ้นลนอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สมุทัยมีไหม ชาติปัญญาอยู่ที่ไหนเอามาแก้กันสี่ฟาดกันลงไปมันแหลกเลยนี่ยาติธรรมอยู่ที่นี่ตรงนี้หละตรงที่จะเชื่อพระุทธเจ้าเชื่อพระธรรมพระสงฆ์เชื่อธรรมตั้งหลายจะเชื่อที่ตรงนี้ชาติธรรมเป็นที่ผิดความวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าพิเศษขึ้นด้วยอํานาจแห่งอริยสัจสี่สาวกอรหันต์อรหันต์ตั้งหลายพิเศษด้วยจากอริยสัจสี่เป็นเรื่องผิดเนี่ยเอาลงไปที่มันจะรู้เองไม่ต้องถามใครละเห็นอย่างชัดเจนภายในตัวของเราสงสัยอะไร นี่ถึงขั้นที่จะรู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นจะว่างไงศาสนาจึงได้กล้าพูดว่าศาสนาที่ ส, สดสร้อนๆนะสดสดร้อนๆนะอืไม่มีคําว่าโน้นว่านี้ว่าใกล้ว่าไกลนะอยู่ที่ในวงปัจจุบันคือสัจธรรมในหัวใจของเรานี่โดยเฉพาะอเอาลงไปทำมันรู้สิมันมันรู้สะหมดแล้วแล้วที่นี้มาเทียบเรื่องหัวใจที่มีกิเลสมาตั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆก็ตามจกนกระทั่งถึงวาระที่กิเลสได้พังออกจากใจแล้วมันต่างกันยังไงใจตรงนี้น่ะนะ แต่ก่อนใจตรงนี้เองนะมันเป็นยังไงบัดนี้ใจตรงนี้เองเป็นยังไงมันไม่ได้ต้องไปถามใครแะ่ะสาธุพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าเนี่ก็ตามไม่ทูลถามถามพระองค์ทําไมฮะความจริงพระองค์สอนได้หมดทุกสิ่งทุกอยาก่างแล้วสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าบกพร่องที่ไหนการสอนสัตว์โลกนะ่ะถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้บกพร่องเองนั่นมันก็ลงตรงนั้นเถอะจะไปไหนวะเีะ่มันโมโหนั่นนี่ก็ดียังไม่ทราบอ่ะโมโหนี่เป็นขี้เหรด้วยเป็นก็ไม่ทราบไอสอนหมู่สอนเพื่อนมาสอนมาแทบล้มแทบตา มันไม่ได้หน่าในหลังอะไรเลยชิยงที่ไม่พึงปรารถนามันจะแสดงออกมาในสังคมของพระบรรดาบันตานี่มันเป็นอย่างไหงชิงที่พึงปรารถนาที่สอนแทบล้มจะตายถ้ามันไม่ปรากฏมันเป็นอะไรไอ้ชิงนี่พึงปรารถนามันแสดงมาหาอะไรเวลานี้มันเป็นจะเป็นงั้นเลยนะโอ้ก็แตกเลยการสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนไม่ได้สงสัยนี่นะใครจะว่ามากก็ตามเธอเราอาถรรพ์เต็มที่ในการสอน สอนหมูสอนเพื่อนว่าเราได้สอนเต็มภูมิไม่ได้มีรายละเอียดไปเลยแล้วทําไมเหตุผลเวลาผลมันแสดงมามันจึงมันถึไ ม, มนไม่ปรากฏในสิ่งที่เราพึงหวังตามที่เราสอนมันมักจะแสดงเป็นเรื่องของกิเลสออกสนามมาทางนั้นออกแนวลบมาคือมาขึ้นเวทีต่อหน้าต่อตาให้เห็นต่าหูต่ำตาเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะไม่กระกเลือดออกแล้วเหลือผู้สอนนั่นนะ่ะท่านทนายไม่ได้คิดบ้างเหรอเท่านี้นะ่ะสอนก็หมดภูมิผมสอนหมูสอนเพื่อน ือพอยากพูดให้มันถึงลงไปอีกเนี่ยหน่เมื่อเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมารณภาพกระเทือนไปหมด่มายังไงสำหรับผู้ปฏิบัติต่ออัดต่อทำเพื่อความัตั์ความจริงสำหรับผมนี่เหมือนกับโลกธาตุถล่มทีเดียวะหือเพราะขาดที่พึ่งผู้จะคอยแน่คอยบอกตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้ไม่ฟังใครเมื่อถึงขั้นหัวเลียวหัวต่อแล้วมีท่านอาจารย์มั่นองเดียวที่เท่านั้น พรอการเรียนภาพท่านใส่ทีเดียวพางขาดสะ บ, บันไปเลยนี่ทําไมจะไม่จะไม่หวังพึงท่านลงเห็นผลประจักษ์ใจอยู่ขนาด น, นั้นแล้วนี่ก็อยากจะให้หมู่เพื่อนได้เห็นเป็นยังไงไงไมาอเรากล้าที่จะสอนได้เต็มกําลังความสามารถของเราเพราะเราเราไม่เราไม่สงสยัยในการปฏิบัติมาตลอดถึงผลสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเราอยากพบอยากเห็นผลของหมู่เพื่อนที่ปฏิบัติมาเป็นยังไง ถ้าจะสอนไม่ได้จริงก็ให้มันรู <Kristin. S 1> อ้อรู้สิว่าเรานี่หมดภูมิสอนไม่ได้โอ้ลูกศิษย์นี่ภูมิเก่งกว่าเราวะเราสอนไม่ได้ให้เรารู้เดเดี๋ยวนี้มันยังไม่เห็นนี่นะมันเห็นแต่เก่งแต่ของไม่เป็นท่าสิไอ้ท่านั้นของไม่เป็นท่าแล้วมันเก่งไอ้สิ่งที่เป็นท่าสิ่งที่เรามุ่งหมายที่อยากให้เป็นมันไม่เห็นมันไม่เก่งกว่าครูเราอยากให้มันเก่งตรงนี้นะเอเราให้เราเลยยอมรับว่าโอ้หมดแล้วหมดภูมิแล้วสอนไม่ได้แล้วอืมนี่เก่งมากแล้วเลยครูแล้วมันไม่เห็นนี่เป็นยังไง กองมหาสมบัติถ้าจะเทียบแล้วก็จะมีอะไรเท่ากองมหาสมบัติที่อยู่ในใจทำไมจึงถูกมุดถูกพูดคือกิเลสมันครอบเอาไว้หมดไม่มองดูมองไม่เห็นเลยนี่สมิมันแตกออกมาก่ายถ้ามรเจ้าประกาศป้างป้างหลงตรงนั้นลงตรงนั้นเพื่อให้พังลงไปแก้แพงลงไปพังลงไป สิ่งที่มันจอมปอมมันปกคลุมหุ่งหมายนั้นแหะมันเราจะเห็นทองตั้งแท่งอยู่นั้นน่ะเนี่ยถ้าเทียบบูมาเป็นอย่างนั้นอยู่นี้นหละอยู่นี้น่ะชี้ลงชี้ลงตรงหัวใจนี่ไม่ขี้ไปไหนนะสัจะทําแท้อยู่ที่ใจกายเหล่านี้เ ป, นเป็นเป็นสัจธรรมนอกอันหนึ่งเป็นเครื่องประกอบเช่นยังชา้าตีปุตุขาชาลาปุตุขานี่นี่ก็เป็นสัจธรรมกายนันเกี่ยวโยงกันแล้วสุดท้ายก็โครงทหากิจตั้งที่ว่าอวิชชาปยานั่นแหะตัวตัวสัจธรรมเอก อริ ย, ยสัจสี่เอกสมุทัยชั้นเอกนั่นแหละคืออวิชชาปัจิยาคือมันครอบจิตอยู่โดยเฉพาะนั่นแ่ะนั่นเรียกว่าอริยสัจชั้นเอกเหรอนี่เยี่ยมอยู่ในนั่นแหะยอดยอดกษัตริย์วัตตจักรอยู่ตรงนั้นอสติปัญญาถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะพังจะทำลายได้จะไม่เห็นจะไม่ได้ทําลายเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่พังหมด ฮะการแสดงธรรมก็เห็นแล้วสมควรอะละวัี้เหนื่ยเหนื่อยมันเกงกล้าสามารถนะพระตาฉนั้นมันเร็วที่สุดนะพระออกหน้าออกตาเลยนะสั่งนั้นสั่งนี้เขามายุ่งในวดัดซื้อนั้นซื้อนี่นะ่ะอย่ามายุ่งนะในวัดนี้ไม่ได้มายุ่งกับสิ่งเานั้นนะผมไม่สอนให้ยุ่งกับสิ่งนั้นนะอืมทุกสิ่งทุกอย่างในนี้มันพอเป็นพอไปทุกอย่างแล้วไม่มีที่ไหนยจะท่วมมากยิ่กว่านี้นะนี่ได้เที่ยวทั่วประเทศไทยแล้ว เที่ยวไปหมดนะมันบกพร่องอะไรพอที่จะวุ่นเอานั่งหนายเอาเป็นเนื้อเป็นหนังเอาชนะหนาเนอะส่วนอาจนธรรมให้เป็นเนื้อเป็นหนังให้เป็นเรื่องฝากเป็นฝากตายกับอารนธรรมจินทำไมไม่เห็นตากดจิง่านั้นคารวานเขาก็ทํากันอยู่แล้วมันไปแย่งกิจการขี่หมูขี่หมาของคารวานมาใช้ทำไมพระเหล่านี้ กันที่อันหนึ่งที่ว่ามันไม่ยอมถอยน่นะเคียดแค้นนั้นเอามาเป็นกําลังใจจะเอาให้มันให้ได้ น, ะนี่มันเคียดแช่อย่างนั้นนะไม่เครีแค้นอย่างที่ถอยนะพอมันถึงขั้นของมันน้ี่รั้งมาอยู่เลยละมันเวลาทำอำนาจของทำมันมีแล้วทำมีกําลังแล้ว ทำเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับกิเลสมันเป็นตัวของมันเนี่ยกระดิกมาแพ๊บจากหัวใจเป็นเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติดูดูไม่รู้นะนั้นกระดิกออกมาในความคิดความปรุงเรื่องอะไรๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยเหมือนวัวปากคอของมันไหลออกไหลออกอยู่ปากคลอกกิเลสทั้งนั้นไหลออกอ่ะไหลออกเที่ยวหากินป่วนเปี่ยนป่วนเปี่ยนเพื่นผ่านเพื่นผ่าน นี่เวลามันมนีอำนาจกิเลสมีอำนาจเป็นอย่างนั้นทีนี้พอทํามีอำนาจมันก็แบบเดียวกันนี่ถ้าทำออกทําออกทาออกได้เห็นได้ยินก็ตามไม่ได้เห็นได้ยินไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเหตุเป็นผลกระทงก็ตามเป็นะเรื่องหัวใจนี้เพราะมันอะไรมันก็มีอยู่ในนี้แล้วมันขึ้นมันเองมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนี่ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้ก็เหมือนกับว่า ทุนลมุนหรือตะลุมบอลตนลุมบอลเราจะหาเหตุหาผลไม่ได้เวลาตะลุมบอลกันอันนี้ระหว่างทีเ่เด็กกับทำเมื่อเวลาทำมีกําลังแล้วก็หาเหตุหาผลไม่ได้เหมือนกันนะเรื่องข้าขี้เด็กด้วยเหตุผลกลไกอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้คือเราไม่หานี่มันหมุนเมันติว feeder, ต้วติวต้วติ้วอยู่นั้นเลยอยู่นี้ไหนขี้เล็กมันก็พังอยู่ไหนขี้เล็มันก็พังไหขี้เด็กอยู่ที่ไหนปัญญาก็เกิดปัญญาก็เกิดอยู่นั้นตลอดตลอดตลอดตลอดเลยนี่ถึงขั้นเป็นเป็นขนาดนั้นนะ ผมถึงได้ยอมมูลวิชาโอ้โหเป็นอย่างนี้อ๋อนี่จริงๆเป็นเรื่องวิชาธรรมประเภทนี้ถึงเป็นวิชาธรรมค่าเกลียดนั่นมันลงความจําได้หมายรู้สาธุเราไม่ได้ประมาทนะมันเป็นเพียงเป็นปากเป็นทางเนั้นเอาจริงกับจังมันมาได้นะความจดความจํามาแต่เราไม่ได้ประมาทว่าไม่เกิดประโยชน์นะหากเป็นปากเป็นทางเวลามันจะเป็นตัวจริงจริงๆเป็นองค์ศาสนาธรรมจริงๆคือปัญญาจริงๆริงสติจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะ พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งมาอยู่ที่ไหนก็เกิดยู่ที่ไหนก็เป็นเป็นอยู่ตลอดเป็นล่ำเป็นหละไม่ได้คิดให้เป็นก็เป็นตั้งใจไม่ตั้งใจก็เป็นเป็นถึงขนาดที่ว่าลั่งเอาไว้ฟังที่ลั่งเอาไว้คือมันเทินในงานในการค่ากิเลสในการขุดค้นหากิเลสนั่นเป็นงานของกิตลั่งก็คือว่าให้เข้าสู่สมาธิสงบ พ, พักเอากําลังนั่นนะคุณยังไง พอปิดออกจากที่สงบแล้วมันก็มีกาลังพอออกจากที่สงบปัป๊บมันพุ่งเลยนะพุ่งพุ่ ง, งบางทีมันคิดผมก็ไม่ลืมเรื่องอย่างนี้อะไรไอ้นมันร้อนเลยยู่งไงยื้ไปสู่ไอ้ไนี่ลูกดิกลูกลิกลกไอ้อ้วนไปไหนฮะไอ้อ้วนไม่เห็นเป็นนงมึงวะเอะมึงทำไมลูกดิกลิกน่ฮ้ไอ้ลวด น่อ้วนวันี้อ้วนเทนี่ น, น, น่ารักเลยแล้วอ้วนเท่านั้นคนดีแบบนึงองอ้วนอาหานมันนี้อนดีอ้วนนแบบแถ้าดูสนุกดูนะมีนใสของสั่งดูเรียกมันนี้เหมือนมันดุเป็นดุพระนะรัะกเี้ยไ แต่ก่อนัอ้วอนมา em ที่แรกตัวอ้วนอวมาขี่รถไปมดน้อยบ้านยิมกายนะเนขขึ้นมาขี่รถนี้เรต้องเช็ดต้องล้างเลอยนี่มาที่แรกตัวอ้วนอ้วนหูตุบๆเล่ติดปากเรียกอวนอ้วนเวลามันเหนื่อย สติปัญญาทำงานมันเหนื่อยอ่อนไปหมดนะอ่อนอยู่ภายในนี่ ม, นมันไม่ถอยสิกำลังใจหนีไม่ถอยนี่นถึงต้องได้คิดถึงได้คิดกับได้คิดว่าเมื่อไหรน่นะมันถึงจะหยุดที่เรา มันย้อนหลังคิดไปย้อนหลังไปที่เราคาดความคาดกับความจริงมันต่างกันความคาดกันเองเราคาดกันเองว่าแต่ก่อนว่าการบาเพ็ญเพียรนี่พอกินละเอียดก็ทลววายแล้วความเราความเพียรก็จะละเอียดไปละเอียดไปแล้วก็ค่อยสบายไปสบายไ ป, ไปเรื่อยเรื่อยแล้วคิดไปอย่ <diesem S 2> อา or, <guide S 2> <ๆ>นี้น่ะมีเราคาดเอาไว้แล้วความจริงมันไม้เป็นอย่างนั้นเวลาสบายก็สบายเช่นอย่างจิตเป็นสมาธิก็สบายท่านนอนเหมือนหมูงีิ ืออค่ากิเลสตัวเดียวก็ไม่ได้พอออกทางด้านปัญญาออกไปไหนมิแต่ออกค่ากิเลสนั่นนั่ น, น, นมันก็เพลินพอเพลินแล้วก็ไปใหญ่เหนื่อยเครียนยทํางานแล้วก็ เ, เมื่ อ, อไหร่มันจะได้หยุดสักทีนี่คือว่าแต่ก่อนเน้อมันจะสศราค่อยสบายไปสบายไปมันมันไม่ไกลับมันกลับบุนข้ามไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าความกินแล้ว คือการต่อสู้มันจะเป็นความสบายเมื่อไหร่อืเหมือนกับน้องมวยต่อยกันเนี่ยระหว่างทําสติทำปัญญาทำความเพียดฟาดกันก็เหมือมันก็เหมือนกันเอาความสูขมาจากไหนมันก็ที่นี่มันอดคิดไม่ได้ที่ว่าโอ้ที่เราคิดว่าเจิตมีความละเอียดล่อไปเท่าไหร่ความเพียร ก, ก็จะละเอียดไปละเอียดไปความสูงก็จะมีมากขึ้นมากขึ้น แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ทีนี่มันว่าแล้วนะตำหนี่จะาของหือตำหรือตำหนิอันนั้นะว่าเราขาดไว้แลนั้นกับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอันเดียวมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะมันเป็นคนเรโลกไงหลอกกันแล้วมาว่าไอเมื่อไหร่มันจะได้อยู่สบายสินะอืไมชนมุนอย่างนี้ตลอดตลอดเราก็วิโตกได้ชั่วคู่คู่เดียวยามเดียวตอนนั้นนะพออยู่จะวิตตพ้ามันก็พุ่งอยู่แล้วล่ะน่ะ มันเป็นเองมันเป็นอย่างนั้นนะพุ่งพุ่งพุ่งมัหมุนติ่วอย่างนี้เจอก็ทั่มันมันไปสุดฤทธิ์มันพอมันไปสุดฤทธิ์มันจริงๆรแล้วไม่บอกมันก็หยุดเองไงสุดฤทธิ์มันมันก็ก็คืออันนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงเหมือนกันพอสุดฤทธิ์แล้วมันก็มันก็อยู่ เป็นเองไม่ต้องบงังคับให้ให้อยู่ที่บงังคับให้อยู่ในเรื่องสติปัญญาประเภนั้นมันหยุดเองเนี่ยก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งอหนึ่งนี่จึงว่าหลักความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจว่าพิจารณาตามความจริงมันเป็นอย่างนี้ความจําความท้าความหมายเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้เนีเพราะฉะนั้นความจํำความจริงจึงไม่เหมือนกันต่างกันมากเหมือนเราได้ยิน เพราะว่านั้นเป็นนั้นนันเป็นนั้นอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นเป็นความจำเวลาไปดูแล้วไปไปเห็นความจริงไปเห็นธรรมชาตินั้นตามความจริงไปได้ยินสิ่งนั้นตามความจริงแล้วมันจะมันไม่เหมือนกันนี่ยอย่างนี้ครับที่ว่าความจำามจริงไม่เหมือนกันพอไปสุดลิบบ้านเราเหมือนคนไม่แล้ว <c oughs> พูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะ เป็นคนโลกไปเลยว่างั้นแะกับ <c oughs> ความเคยเป็นหมุนดีบดิ่ <c oughs> จะว่าไม่มีปัญญาหรือมันก็ ม, มันไม่ใช่มันย อ, อยู่เฉยอยู่เงน้ยที่นี่ ส, กสกตกวรู้อยู่ท่านั้น ไ, ไปยุ่งกับอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ ยไปิดพิจารณาพวกข่ากิเลสอะไรก็ไม่อลยเนี่ยไม่สนใจอะไรก็เลยนี่แล้เดินหนึงกลุ่มไปไปเห็นกิงจกกิงกาไปเล่นกับมันยูสิไม่ใช่เดินหนงกลุ่มมันอะไรก็ไม่เล่นอันนั้นมันทางนี้เหมายหนึ่งนะเล่นเพราะความต้องสาน มันอย่างลุ้สศรษฐธรรมอย่างถึงวัฏจักรวัฏจิตยินในใจของสัตว์นั้นจิตมันมันมันเจาะเข้าไปตรงนั้นนะมันถือนั่นเป็นหลักใหญ่เล่นครับสัตว์มันก็มีอย่างนั้นนะไม่เล่นแบบพลิดเพลินเหมือนอย่างที่เคยเป็นเคยนั้นมาแต่ก่อ น, นผิดกันอะไรอันนี้หรอ <c oughs> <c oughs> ไหนอนวนว้นวนก็อ้วนคือว่าสองหรือนมนื่นนะที่เท่าไหร่นะ